อนุโมทนากาถาสาเหตุที่มิรินทปัญหาจะมาปรากฏแก่สายตาบรรดายาโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นประการแรกก็คือว่าพระเดชพระ ค, คุณหลวงพ่อพระราชพมยานได้เคยสนทนาปารภถึงเรื่องนี้ให้แก่สิทธานุสิท์ทั้งหลายฟังอยู่เสมอ ทั้งที่วัดท่าสงหรือที่บ้านสายลมกรุงเทพอีกประการหนึ่งผู้รวบรวมเองก็ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนพอดีเมื่อประมาณต้นปี2534ท่านพระครูใบดีกาสมพงป่ารบว่าขอให้ช่วยนำเรื่องมิลินทปัญหาลงในธรรมวิโมกกหน่อยผู้รวบรวมก็รับปาก และเริ่มจัดธรรมโดยมีท่านพระอาจีนท่านพระมหาถวัรย์เป็นผู้ร่วมจัดธรรมด้วยแล้วก็มีท่านพระครูประหลัดอนันต์ท่านพระครูสมุตพิชิตองเล็บโอตลอดถึงเพื่อนภิกษุภายในวัดท่าสูงต่างองค์ต่างก็ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีองเล็บเปิดสําหรับหนังสือรวมเล่มนี้มีพระสมปองพร้อมทั้งคณะ และคุณดรุณพมคีรีเป็นผู้ช่วยจัดพิมพ์ต้นฉบับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และมีคุณละเมียดวงเล็บละไมเคมาสวินเป็นผู้ประสานงานทางลงพิมพ์ส่วนคุณอโนชานาคสวัสดและคุณสนิทอรารยะศิริกุลได้ช่วยเหลือบริการและจัดซื้อในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์วงเล็บปิด พอย้อนกล่าวต่อไปว่าบังเอิญผู้รวบรวมมีหนังสือมิลินทปัญหาฉบับของสธรรมพักดีและฉบับพิสดารอยู่แล้วจึงได้เริ่มเรียบเรียงลงในธรรมมิโมกฉบับที่122เดือนเมษายน2534เป็นตอนแรกโดยใช้หนังสือทั้งสองเล่มดังกล่าวนี้เป็นต้นฉบับ ในการเรียบเรียงและอาศัยอธิบายมิลินทปัญหาของวัิซีนอินทอิสระและหนังสือสสศัพทศาสนาของพันเอกปิ่นมุทุกการกับประทานุกรมวงเล็บเปิดไทยบาลีอังกฤษสันสกฤตมงเล็บปิดอีกทั้งตำลักตำลาของหลวงพ่อมาประกอบคำอธิบายด้วย ผลปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยมพุทธบริษัทเป็นอันมากมีหลายท่านที่ปรารภให้จัดพิมพ์รวมเล่มด้วยจึงทำให้ผู้รวบรวมมีกำลังใจยิ่งขึ้นเพราะการจัดทำนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายก่อนจะพิมพ์ต้องตรวจสำนวนระหว่างสองฉบับด้วยกันก่อนโดยเฉพาะคำที่อ่านแล้วเข้าใจยาก ก็จะใช้ทอยคำที่เข้าใจง่ายขึ้นบางสำนวนที่ยืดยาวก็จะรวบรากสำนวนให้อ่านง่ายขึ้นโดยรักษาเนื้อความเดิมไว้มิให้เสียหายส่วนคำที่เป็นภาษาบาลีก็จะวงเล็บให้ทราบไว้ทันทีและบางปัญหาจะเพิ่มเติมคำอธิบายไปบ้างหรือบางปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันหลายปัญหา ผู้รวบรวมก็จะนำมาสรุปความให้ทราบในตอนท้ายของปัญหานั้นสำหรับบางปัญหาที่เอ่ยชื่อของบุคคลตัวอย่างในประสู์แต่ในต้นฉบับดังกล่าวไม่มีผู้รวบรวมก็ไปนค้นมาจากพระไตปิดกงเล็บเปิดที่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งมาถวายวัดนั่นแหละงเล็บปิดแล้วนำมาย่อเนื้อความ ให้ท่านผู้อ่านเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเช่นพระเจ้าสีวิราชและมาตังคารุษีเป็นต้นอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนังสืออ่านง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็คือการจัดพิมพ์เป็นสองคอลัมน์ใช้ตัวอักษรเอ็นเป็นคำถามสลับกับตัวธรรมดาที่เป็นคำตอบและตัวดําที่จะเน้นที่มีความสำคัญส่วนการที่มีย่อหน้า และเว้นวักคบ่อยก็เพื่อมีให้เนื้อความแน่นเกินไปทำให้ดูโปร่งตาช่วยอ่านง่ายยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามบางปัญหาอาจจะมีข้อคิดลึกลับซับซ้อนท่านผู้อ่านก็ควรจะย้อนอ่านหลายๆครั้งเพื่อความเข้าใจพร้อมกับใช้ความคิดพิจารณาในเนื้อความนั้นไปด้วย ก็จะช่วยให้เกิดความพเพลิดเพลินและได้สาระความรู้จากหนังสือเล่มนี้ยิ่งขึ้นเนื่องจากพระเจ้ามิลินเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกการตั้งปัญหาถามล้วนเป็นปัญหาที่ยากที่ผู้อื่นจะตอบได้และบางปัญหาท่านถามโวกลเพื่อหาเป้าแต่พระนักเสนท่านก็เฉลยปัญหาได้ทุกข้อ พร้อมทางยกอุปมาขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเปรียบเทียบได้อย่างแจ่มแจ้งคณะผู้จัดทาเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์มากจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเกิดปัญญาความรอบรู้ในสภาวะธรรมที่ละเอียดสุ ข, ขุมทั้งเป็นการเสริมสร้างปฏิพาณ์ในด้านการสนทนาธรรมกับผู้อื่นอีกด้วยโดยเฉพาะหลวงพ่อ ท่านเคยกล่าวไว้ว่าพระที่จะเป็นนักเทศที่ดีนั้นจะต้องผ่านการอ่านมิลินทปัญหามาเสียก่อนฉะนั้นมิลินทปัญหาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่งอธิบายธรรมะโดยพระอัฏฐกะถาจารย์มีนามว่าพัตติปิดกจุลาภัยเทระเมื่อประมาณพศ .500 ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาบาลีได้จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยจากฉบับพิสดารของหอสมุดแห่งชาติและฉบับของสอธรรมพักดีคณะผู้จัดทาจึงขออนุญาตนำมาลงให้บรรดาสมาชิกของธรรมวิโมกได้อ่านกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้รวบรวมก็ยังเริ่มฝึกหัดอยู่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในเนื้อความบางคา ถ้าหากมีข้อผิดพลาดสิ่งใดต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยหากจะกรุณาทักท้วงในข้อผิดพลาดนั้นก็ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่งจึงขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้อีกด้วยผู้รวบรวมจึงขอย้ำว่าหนังสือรวมเล่มมิลินทาปัญหานี้เป็นการรวบรวมจากธรรมวิโมก ที่ได้ลงไว้เป็นตอนตอนการจัดพิมพ์จึงอาจจะไม่เหมือนหนังสือทั่วไปจึงขอให้ถือว่ามิลินทปัญหาฉบับรวมเล่มของธรรมวิโมกนี้เป็นฉบับพิเศษคือว่าจะททำขึ้นมาเพื่อให้อ่านเป็นการภายในเฉพาะสมาชิกเท่านั้นมิได้จําหน่ายเป็นสาธารณทั่วไปถ้าท่านผู้อ่านต้องการจะอ่านฉบับมาตรฐาน ก็โปรดหาอ่านตามที่ผู้รวบรวมระบุไว้แล้วนั้นรวมความว่ามิลินทปัญหาได้ดำเนินเรื่องมาเพียงครึ่งเรื่องเท่านั้นวงเล็บขณะที่จะรวมเล่มได้ลงไปถึงตอนที่สิบเจ็ดปรากฏว่าเมื่อกลางเดือนสิงหาคม2535รพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยาน วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านปารกไว้ก่อนมรณะภาพว่าเมื่อคราวไปสอนพระกรรมฐานที่บ้านสายลมกรุงเทพมีผู้ถวายเงินแก่ท่านไว้จำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อเป็นค่าจัดพิมพ์หนังสือรวมเล่มมิลินทปัญหาจึงมีบัญชาให้คณะผู้จัดทำธรรมวิโมกเป็นผู้รวบรวมธรรมวิโมกฉบับรวมเล่ม มิลินทปัญหานี้หลังจากรับทราบคําสั่งท่านแล้วเมื่อจะกลาบลาท่านออกมาฉันเพนท่านก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าเขาให้ข่ามาแสนหนึ่งจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่พอข้าก็ต้องออกเองละวะหลังจากนั้นพวกเราจึงได้ปรึกษากันว่าควรจะรีบจัดทำเพื่อให้ทันตามความประสงค์ของท่าน ภายในสิ้นปีนี้จึงได้รีบจัดทาต้นฉบับส่วนที่เหลือทันทีปรากฏว่ารวมเล่มทั้งหมดได้สามสิบหกตอนจบก็พอดีหลวงพ่อมรณาภาพเสียกรเป็นอันว่าคณะผู้จัดทาขออนุโมทนาในเจ ต, ตนาที่เป็นมหากุศลของคุณนวรัชธนบัตชัยไว้ณโอกาสนี้ ที่เป็นผู้ริเริ่มประถมะเมรกหนึ่งแสนบาทหากผู้ใดต้องการจะร่วมสมทบทุนก็บริจาคได้โดยตรงกับท่านพระครูประหลัดอนันต์พุทธยาโนเจ้าอาวาสองค์ใหม่เพื่อเป็นปัจใจัยให้เกิดแสงสว่างคือความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเป็นการช่วยการเทิดทูนคำสนทนาของพระมหาเถระทั้งสองไว้ คือพระนาคเสนเทระและพระมิลินทะเทระผู้เป็นอรหันต์ท่านทั้งสองได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไปนานแล้วพวกเราเหล่าพุทธบริษัทเมื่อได้อ่านคำสนทนาพาธีของท่านก็ยิ่งทำให้เกิดสติปัญญามากขึ้นท่านผู้อา่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้หรือท่านผู้อา่าน ที่มีพื้นความรู้มาบ้างแล้วก็ยิ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจความแจ่มแจ้งความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดามากขึ้นหนงังสือมิลินทปัญหานี้จึงเหมือนกับประทีปสองทางให้ทุกท่านที่อ่านแล้วจะสามารถมองเห็นหนทางที่จะเดินยิ่งขึ้น ในเมื่อทุกคนปรารถนาเพื่อพระนิพพานในอวสานอันเป็นท้ายคำนี้ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งไว้ด้วยความอุตสาหะพยายามจงสำเร็จผลโดยง่ายอย่างฉับพลันเช่นเดียวกันกับพระมหาเถระทั้งสองผู้เป็นเจ้าของเรื่องท่านผู้อา่านและผู้ร่วมสร้างปัญญาบรารมีในครั้งนี้ทุกท่าน การที่หนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้เพราะแรงบันดาลใจของท่านทั้งหลายอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นองค์ประธานฉะนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้จะตั้งสัตยาธิฐานไว้อย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือว่าขอให้มีปัญญาหาที่สุดมิได้เช่นเดียว ก, กันกับท่านทั้งสอง ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนี้เทินวัฒนะชัย18กุมภาพันธ์2536